ยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราทั้งปฏิปทาก็ตามทั้งอุบายแนะนำพร่ำสอนสาวกทั้งหลายก็ตามให้เอาตัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนข้อปฏิบัติเป็นอุบายให้เราละถอนทิฏฐิมานะไม่ใช่ว่าท่านปฏิบัติให้เมื่อเลิกจากการฟังแล้วเราจะต้องมาสอนตัวเองมาปฏิบัติตัวเอง ผลมันเกิดขึ้นตรงนี้ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นตรงที่ท่านสอนที่ท่านสอนเรานั้นเราเพียงแต่เข้าใจแต่ว่าธรรมนั้นยังไม่มีในใจเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้ปฏิบัติคือยังไม่ได้สั่งสอนตัวเราพูดตรงๆงแล้วก็คือธรรมนี้เกิดที่การกระทำจะรู้ก็อยู่ตรงที่การกระทำจะสงสัยก็อยู่ตรงที่การกระทำ ธรรที่เราฟังจากครูบาอาจารย์ก็จริงอยู่แต่ว่าการฟังนั้นไม่สามารถที่จะให้เราบรรลุธรรมะได้เป็นแต่เหตุให้รู้จักการปฏิบัติให้บรรลุธรรมการจะให้เราบรรลุธรรมนั้นเราก็ต้องเอาคำสอนของท่านมาทําขึ้นในใจของเราส่วนที่เป็นทางกายก็เอาให้กายส่วนที่เป็นทางวาจาก็เอาให้วาจาส่วนที่เป็นทางใจก็เอาให้ใจปฏิบัติ หมายความว่าท่านสอนเราแล้วเราก็กลับมาสอนตัวเราอีกให้เป็นธรรมะให้รู้รำรตามทํามนองนั้นบุคคลที่เชื่อคนอื่นพระพุทธเจ้าของเราไม่ตรัสสรรเสริญว่าบุคคลนั้นเป็นปราชคนที่เป็นปราชนั้นก็คือคนที่ปฏิบัติธรรมะ ให้เป็นธรรมะจนเชื่อตัวของตัวไม่ต้องเชื่อคนอื่นในคราวหนึ่งครั้งพุทธกาลพระสารีบุตรและสาวกหลายรูปนั่งฟังธรรมด้วยความเคารพต่อพระพักของพระพุทธเจ้าท่านก็อธิบายธรรมะให้ความเข้าใจไป แล้วที่สุดท่านก็ย้อนถามพระสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรเชื่อแล้วหรือยังพระสารีบุตรตอบว่าข้าพระองค์ยังไม่เชื่อนี่เป็นตัวอย่างแต่ว่าท่านรับฟังคำที่ว่าท่านยังไม่เชื่อนั้นมีใช่ว่าท่านประมาทท่านพูดความจริงออกมาท่านรับฟังเฉยเฉยคือปัญญายังไม่เกิดท่านจึงตอบพระพุทธองค์ว่ายังไม่เชื่อ ก็เพราะว่ายัางไม่เชื่อจริงๆคำพูดนี้คล้ายๆกับประมาทแต่ความจริงท่านไม่ได้ประมาทเลยท่านพูดตามความจริงใจว่าท่านยังไม่เชื่อพระพุทธองค์ก็ทรงสรรเสริญเออสารีบุตรดีแล้วนักปราดไม่ควรเชื่อง่ายๆควรไตรตรองพิจารณาแล้วจึงเชื่อ คำที่ว่าเชื่อตนเองนั้นก็มีหลายอย่างมีหลายลักษณะลักษณะอันหนึ่งมีเหตุผลที่ถูกต้องตามสัจธรรมแล้วลักษณะอีกอันหนึ่งมีเหตุผลที่ไม่ถูกต้องตามสัจธรรมลักษณะอันนี้ประมาทเลยเป็นความเข้าใจที่ประมาทเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อใครยกตัวอย่างเช่นทีฆขนขักพรา พรามคนนี้เชื่อตนเองมากไม่เชื่อคนอื่นเมื่อพระพุทธเจ้ากับพระสารีบุตรลงมาจากดอยทิชกูดนั่งพักหยุดทีคณะขะพราหมณ์ก็เข้าไปเรียนถามพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้ฟังหรือจะว่าไปแสดงธรรมให้พระพุทธเจ้าฟังก็ได้คือไปอวดรู้อวดความเห็นของตัวเองข้า พ, พเจ้ามีความเห็นว่าทุกอย่างไม่ควรแก่ข้าพเจ้า ความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ฟังทิฏฐิของทีคณะขับพรามอยู่ท่านก็เลยตอบว่าพรามความเห็นอย่างนี้ก็ไม่ควรแก่พรามเหมือนกันพอพระพุทธเจ้าตอบสวนมาพรามก็สะดุดใจไม่รู้ว่าจะพูดอะไรพระพุทธเจ้าจึงยกอุบายหลายอย่างขึ้นให้พรามเข้าใจ พรามก็เลยหยุดพิจารณาจึงได้เข้าใจว่าเออความเห็นของเรานี้มันไม่ถูกเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดตอบปัญหาเช่นนั้นพราหมณ์ก็ลดทิฏฐิมานะลงพิจารณาเดียวนั้นเห็นเดียวนั้นพลิกเดียวนั้นเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือในเวลานั้นได้สรนเสริญธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเมื่อได้รับธรรมะของพระผู้มีพระภาคแล้ว จิตใจของข้าพระองค์มีความแจ่มแจ้งใสสว่างเหมือนอยู่ในที่มืดมีคนมาทำไฟให้สว่างฉันนั้นหรือเหมือนกะละมังที่มันคว่ำอยู่มีคนมาช่วยงายกะละมังขึ้นหรือเปรียบป็นหนึ่งว่าหลงทางไม่รู้จักทางก็มีคนมาชี้ทางให้ฉันนั้นอันนี้ความรู้ได้เกิดขึ้นที่จิตเดียวนั้น จิตที่มันเปลี่ยนกลับเดี๋ยวนั้นความเห็นผิดหายไปความเห็นถูกเข้ามาความมืดก็หายไปความสว่างก็เกิดขึ้นมาเดี๋ยวนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าทีฆนาคาพรานนี้เป็นผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะว่าในสมัยก่อนทีฆนาคาพราหมณ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเห็นของตัวเอง และไม่รู้สึกว่าจะพยายามเปลี่ยนแปลงความเห็นเช่นนั้นด้วยเมื่อได้รับธรรมะของพระพุทธเจ้าจิตของท่านก็รู้ตามความเป็นจริงว่าความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นของตงนั้นผิดไปเมื่อความรู้ที่ถูกเกิดขึ้นก็เห็นความรู้ที่มีก่อนนั้นว่ามันผิดท่านจึงเปรียบเทียบอยู่ในที่มืดมีคนมาทำไฟให้สว่างอันนี้ก็เหมือนกันฉนัน ในเวลานั้นทีคณะขาพรามก็หลุดไปจากมิจฉาทิฏฐิที่ยึดถือไว้ชนนั้นคนเราก็ต้องเปลี่ยนอย่างนี้ปฏิบัติต้องเปลี่ยนต้องเห็นเช่นนี้จึงจะละมันไปได้เรามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แต่ก่อนเราปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบแต่ก็เห็นว่ามันดีมันชอบอยู่นั่นเองเราจึงทิ้งมันไม่ได้เมื่อเรามาประพฤติป ฏ, ปฏิบัติพิจารณาแล้วเปลี่ยนกลับหน้ามือไปหลังมือคือผู้รู้ธรรมะหรือปัญญาเกิดขึ้นที่จิตนั้นคงมีความสามารถเปลี่ยนความเห็นเพราะความรู้อันนั้นตามรักษาจิต ฉะนั้นนักประพฤติปฏิบั tn ี้จึงสร้างความรู้สึกที่เรียกกันว่าพุทโธคือผู้รู้อันนี้ให้เกิดขึ้นที่จิตแต่ก่อนผู้รู้ยังไม่เกิดขึ้นที่จิตรู้แต่ไม่แจ้กรู้แต่ไม่จริงรู้แต่ไม่ถึงความรู้อันนั้นจึงออกนความสามารถไม่มีความสามารถที่จะสอนจิตของเราได้ในเวลานั้นจิตนั้นได้กลับเปลี่ยนออกมาเพราะความรู้อันนี้เรียกว่าปัญญาหรือญา รู้ยิ่งกว่ารู้มาแต่ก่อนผู้รู้แต่ก่อนนั้นรู้ไม่ถึงที่สุดจึงไม่มีความสามารถแนะนำจิตของเราให้ถึงที่สุดได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงให้น้อมเข้ามาเป็นโอปัญโกน้อมเข้าอย่าน้อมออกไปหรือน้อมออกไปแล้วให้น้อมเข้ามาดูเหตุผล ให้หาเหตุหาผลที่ถูกต้องทุกอย่างเพราะว่าของภายนอกและของภายในนั้นมันเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันอยู่เสมอดังนั้นการปฏิบัตินี้คือการมาสร้างความรู้อันหนึ่งให้มีกําลังมากกว่าความรู้ที่มีอยู่แล้วคือทําปัญญาให้เกิดขึ้นที่จิตทาญาณให้เกิดขึ้นที่จิตจนมีความสามารถที่จะอย่างรู้กิริยาจิตภาษาจิต รู้อุบายของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นมาในจิตนั้นพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านก็ตัดสินใจของท่านยังไม่ได้เหมือนกันเมื่อท่านออกบวดใหม่ๆก็สแสวงหาโมกขธรรมดูอะไรท่านก็ดูทุกอย่างให้มีปัญญา สแสวงหาครูบาอาจารย์อุทกดาบทอย่างนี้ท่านก็ไปเข้าไปปฏิบัติดูยังไม่เคยนั่งสมาธิท่านก็ไปนั่งนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงหลักตาอะไรอะไรก็ปล่อยวางไปหมดจนสามารถบรรลุฌานสมาบัติชั้นสูงแต่เมื่อออกจากฌานนั้นแล้วความคิดมันก็โผล่ขึ้นมาอีกเมื่อมันโผล่ขึ้นมาแล้วจิตก็เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในที่นั้นท่านก็รู้ว่าเออ อันนี้ปัญญาของเรายัางไม่รู้ยังไม่แจ่มแจ้งยังเข้าไม่ถึงยังไม่จบยังเหลืออยู่เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านก็ได้ความรู้เหมือนกันตรงนี้ไม่จบท่านก็ออกไปใหม่แสวงหาครูบาอาจารย์ใหม่เมื่อออกจากครูบาอาจารย์องค์นี้ท่านก็ไม่ดูถูกดูมิน ท่านทำเหมือนกันกับแมลงผู้ที่เอาน้ำหวานในเกสรดอกไม้ไม่ให้ดอกไม้ช้ำแล้วไปพบกับอารานดาบทก็เรียนอีกความรู้สูงกว่าเก่าเป็นสมาบัตอีกขั้ น, นเมื่อออกจากสมาบัตแล้วพิมพ์ทิราหุลก็โผล่ขึ้นมาอีกเรื่องราวต่างๆก็เกิดขึ้นมายังมีความกำหนัดรักใคร่อยู่ท่านก็เห็นในจิตของท่านว่าอันนี้ก็ไม่ถึงที่สุดเหมือนกัน ท่านก็เลิกลาอาจารย์องค์นี้ไปแต่ยอมรับฟังและพยายามทําไปจนสุดวิสัยของท่านท่านตรวจดูผลงานของท่านตลอดการตลอดเวลาไม่ใช่ว่าท่านทำแล้วก็ทิ้งไปไม่ใช่อย่างนั้นท่านติดตามผลงานของท่านตลอดเวลาทีเดียวแม้กระทั่งการทรมา เมื่อการทรมานเสร็จก็เห็นว่าการทรมานอดข้าวอดปลาทรมานให้ร่างกายสูบซีนี้มันเป็นเรื่องของกายกายมันไม่รู้เรื่องอะไรคล้ายๆกับว่าไปตามฆ่าคนที่ไม่ได้เป็นโจรคนที่เป็นโจรนั้นไม่ได้สนใจเขาไม่ได้เป็นโจรเข้าใจว่าเขาเป็นโจรเลยไปตะคอกใส่พวกนั้นไปคุมขังแต่พวกนั้นไปเบียดเบียนแต่พวกนั้นเรื่อยเป็นไปในทํานอง น, นี้เมื่อท่านพิจารณาแล้วก็เห็นว่าไม่ใช่เรื่องของกายมันเป็นเรื่องของจิต อัตตาจีรมาานุโยคเนพระพุทธเจ้าผ่านแล้วรู้แล้วจึงเข้าใจว่าอันนี้เป็นเรื่องกายความเป็นจริงพระพุทธเจ้าทั้งหลายตัสรู้ทางจิตเรื่องกายก็ดีเรื่องจิตก็ดีดูแล้วก็ให้รวมเป็นเรื่องอนิจจ์ เป็นเรื่องทุกข์เป็นเรื่องอนัตตามันเป็นแต่เพียงธรรมชาติอันหนึ่งมีปัใจจัยให้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วก็สลายไปมีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้นมาอีกเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วมันก็สลายไปอีกที่มันเป็นเช่นนี้ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่มีอะไรเป็นแต่เพียงความรู้สึกเท่านั้น สุขก็ไม่มีตัวตนทุกข์ก็ไม่มีตัวตนเมื่อค้นคว้าหาตัวตนจริงๆแล้วไม่มีมีเพียงธรรมชาติอันหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเท่านั้นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายนั้นก็มักเข้าใจว่าการเกิดขึ้นนั้นเป็นเรา การตั้งอยู่เป็นเราการดับไปนั้นเป็นเราก็ไปยึดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างอื่นเช่นว่าเกิดแล้วไม่อยากให้สลายไปสุขแล้วไม่อยากให้ทุกข์ทุกข์ไม่อยากให้เกิดถ้าทุกข์เกิดแล้วอยากให้ดับเร็วๆหรือไม่ให้เกิดเลยดีมากอย่างนี้นี่ก็เพราะเห็นว่ารูปนามนี้เป็นตัวเราเป็นของเราจึงมีความปรารถนาอยากจะให้รูปนามเป็นอย่าง ถ้าความเห็นเป็นอย่างนี้มันก็คล้ายๆกับว่าสร้างทำนบสร้างเขื่อนไม่มีทางระบายนะ้ําโทษมันก็คือเขื่อนมันจะพังเท่านั้นเองเพราะไม่มีทางระบายอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นนี่พระพุทธองค์ทรงเห็นว่าเมื่อความคิดความเห็นเป็นเช่นนี้อันนี้แหละเป็นเหตุให้ทุกเกิดเมื่อคิดเช่นนั้นเข้าใจเช่นนั้นทุกมันก็เกิดขึ้นมาเดียวนั้นท่านเห็นเหตุอันนี้ท่านจึงสละ นี่คือสมุทรไทยสัตว์ทุกขสัตว์นิโรธสัตมนักสัตว์มันติดอยู่ตรงนี้เท่านั้นคนจะหมดสงสัยก็จะหมดที่ตรงนี้เมื่อเห็นว่าอันนี้มันเป็นรูปนามหรือกายกับใจพิจารณาแล้วที่มันเกิดมาแล้วก็ให้เข้าใจว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันเป็นไปตามธรรมชาติตั้งอยู่อย่างนั้น ที่เรามาปฏิบัติให้รู้ตามสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเราไม่มีอำนาจไปบริหารการงานที่นั่นเราจะไปเจ้ากี้เจ้าการไปแต่งตั้งไปตรงนั้นไม่ได้มันจะเป็นทุกข์เพราะเราไม่ใช่เจ้าของเราจะเข้าใจว่าเราเป็นเขาไม่ได้ ทั้งกายและจิตอันนี้ถ้าเรารู้อันนี้ตามเป็นจริงแล้วมันก็มีอยู่แล้วก็เห็นอยู่มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเหมือนกับก้อนเหล็กแดงๆก้อนหนึ่งที่เขาเอาไปเผาไฟแล้วมันร้อนอยู่ทั้งหมดนั่นแหละเอามือไปแตะข้างบนมันก็ร้อนแตะข้างล่างก็ร้อนไปแตะข้างๆมันก็ร้อนไปแตะค่อนทางนี้ทางโน้นก็ร้อนเพราะอันนั้นมันร้อนให้เราเข้าใจอย่างนั้น โดยมากปกติของเรานะเมื่อเรามาปฏิบัติมันก็อยากอยากมีอยากเป็นอยากรู้อยากเห็นแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรไม่รู้ว่าจะไปเห็นอะไรอาตมาเคยเห็นลูกศิษย์คนหนึ่งมาปฏิบัติกับอาตมาครั้งแรกมาปฏิบัติจิตมันวุ่นวาย เมื่อมันวุ่นวายก็เกิดความสงสัยไม่หยุดเหมือนกันแล้วทําไปสอนไปเรื่อยๆให้มันสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็ยังหลงอยู่อีกว่าจะทําให้เป็นอย่างไรต่อไปอีกนะ่วุ่นวายเขาอีกแล้วเขาชอบความสงบป่านนี้มันทําจิตให้สงบแล้วแต่ก็ไม่เอาอีกถามว่าจะทําอย่างไรต่อไป ฉะนั้นการปฏิบัติทุกอย่างเนี่ยพวกเราทั้งหลายต้องทำด้วยการปล่อยวางการปล่อยวางนั้นมันจะปล่อยวางได้อย่างไรคือเกิดความรู้เท่ามันเสียให้เรารู้ว่าลักษณะของจิตมันเป็นอย่างนี้ลักษณะของกายมันเป็นอย่างนี้เรานั่งเพื่อความสงบแต่ว่านั่งเข้าไปแล้วมันเห็นความไม่สงบคืออาการของจิตมันเป็นอยู่อย่างนั้นเอง พอเราตั้งจิตกับลมหายใจของเราที่ปลายจมูกหรือลิมฝีปากเราจะทำสมาธิเราก็ยกความรู้ขึ้นมาตั้งตรงนี้ไว้เมื่อยกขึ้นมาตั้งเรียกว่าเป็นวิตกคือยกไว้เมื่อยกเป็นวิตกกำหนดอยู่ที่นี่เป็นวิจารคือการวิจัยที่ปลายจมูกหรือที่ลงนี้ไปเรื่อยๆวิจารนี้มันจะคลุกคลีกับอารมณ์ของเรานั้นอารมณ์อะไรก็ช่างมันมันก็ต้องพิจารณาเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาคลุกคลีกับอารมณ์เรื่อยๆไป เป็นธรรมดาของมันเราก็คิดว่าจิตมันไม่นิ่งไม่อยู่สลักความเป็นจริงอันนั้นมันเป็นวิจารมันต้องคลุกคลีไปกับอารมณ์นั้นสึกของจิตออกห่างไปมากเมื่อเรามีสติอีกก็ตั้งใจขึ้นใหม่ยกขึ้นมาตั้งตรงนี้อีกเรียกว่าวิตต เมื่อเราตั้งขึ้นสักประเดี๋ยวหนึ่งมันก็เกิดวิจารพิจารณาคลุกคลีไปกับอารมณ์เรื่อยไปแต่เมื่อเราเห็นอาการเป็นเช่นนี้ความไม่รู้ของเราก็เกิดขึ้นมาว่ามันไปทำไหมเราอยากให้มันสงบทำไมมันไม่สงบเนี่เราทำไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นของ เป็นจริงอาการของจิตมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแต่เราไปเพิ่มว่าอยากให้มันนิ่งทำไมมันไม่นิ่งเกิดความไม่พอใจเลยเอาไปทับกันเข้าไปอีกทีนะก็ยิ่งเพิ่มความสงสัยเพิ่มความทุกข์เพิ่มความวุ่นวายขึ้นมาอีกตรงนั้นความเป็นจริงถ้าหากมันมีวิจารณ์คิดไปตามเรื่องตามราวกับอารมณ์เรื่อยๆไปอย่างนั้นถ้าเรามีปัญญาเราก็ควรคิดว่าเออเรื่องจิตมันเป็นอย่างนี้เอง นั่นผู้รู้บอกอยู่ตรงนั้นบอกให้รู้ตามความจริงเรื่องจิตมันเป็นของมันอยู่แล้วอย่างนี้มันก็สงบลงไปมเมื่อไม่สงบเราก็ยกเป็นวิตกขึ้นมาตั้งใหม่ได้พักหนึ่งแล้วมันก็สงบอีกหน่อยมันก็เกิดวิจารณ์วิตกวิจารณ์มันเป็นอยู่อย่างนี้วิจารณไปตามอารมณ์ เมื่อวิจารไปมันก็จางไปจางไปเราก็ยกขึ้นมาอีกอยู่อย่างนี้คือการกระทำความเพียรของเราการกระทำในเวลานี้ต้องทำโดยการปล่อยวางเห็นการวิจารไปกับอารมณ์อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมานั้นไม่ใช่ว่าจิตเราวุ่นแต่เราไปคิดผิดเท่านั้นว่าเราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นตรงนี้เป็นเหตุขึ้นมาแล้วก็ไม่สบายก็เพราะเราอยากให้มันสงบเท่านี้ตรงนี้เป็นเหตุคือความเห็นผิด ถ้าเรามาเปลี่ยนความเห็นสักนิดว่าอาการของจิตมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้เท่านี้มันก็ลดลงแล้วนี่เรียกว่าการปล่อยวางที่นี้ถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นถือทำด้วยการปล่อยวางปล่อยอยู่ในการกระทำกระทำอยู่ในการปล่อยอย่างนี้ ให้มันเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่ในใจของเราเรื่องวิจารณนั้นมันก็ไม่มีอะไรถ้าจิตเราหยุดวุ่นวายเช่นนั้นเรื่องวิจารณนั้นมันจะเป็นเรื่องซอกค้นหาธรรมะถ้าเราไม่ซอกค้นหาธรรมะมันจะไปเกิดวุ่นวายอยู่ตรงนั้นความเป็นจริงวิตกแล้วก็วิจารวิตกแล้วก็วิจารวิจารมันค่อยๆละเอียดไปเรื่อยๆทีแรกมันก็วิจารปรารายทั่วๆไปพอเรารู้ว่าอาการของจิตมันก็เป็นอย่างไ มันไม่ทำอะไรให้ใครทั้งนั้นมันเป็นที่เราไปยึดมั่นถือมั่นอย่างน้ามันไหลมันก็ไหลของมันไปอยู่อย่างนั้นถ้าเราไปยึดมั่นวันไหลไปทำไมเกิดทุกข์แล้วถ้าเราเข้าใจว่าน้ำก็ไหลไปตามเรื่องของมันมันก็ไม่มีทุกข์แล้วเรื่องวิจารณ์นี้ก็เหมือนกันฉันนั้นวิตกแล้วก็วิจารวิตกแล้วก็วิจารคลุกคลีกับอารมณ์ แล้วเอาอารมณ์นั้นมาทำกรรมาฐานให้จิตสงบเอาอารมณ์นั้นมากำหนดวิจารนี้ก็ทานองเดียวกับอารมณ์นั้นถ้ามันรู้เรื่องของจิตอย่างนี้มันก็ปล่อยวางนะเหมือนกับปล่อยน้ำให้มันไหลไปเรื่องวิจารณ์นั้นก็ละเอียดเข้าไป ละเอียดเข้าไปมันก็จะหยิบเอาสังขารขึ้นมาวิจารก็ได้ความตายเอามาวิจาร์ก็ได้เอาธรรมะอันใดมาวิจารก็ได้ถูกเจริตขึ้นมาเมื่อใดมันก็เกิดความอิ่มขึ้นมาความอิ่มคืออะไรคือปิติเกิดปิติความอิ่มใจขึ้นมาความขนพองสยองกล้าวสู้ซาขึ้นมาหรือตัวเบาใจมันก็อิ่มนี่เรียกว่าปิติแล้วก็มีความสุขในนั้น ความสุขมันปากบนอยู่ที่นั้นทั้งมีความสุขทั้งมีอารมณ์ผ่านอยู่ก็เป็นเอกคตาอารมณ์นะเอกขตาอารมณ์คืออารมณ์อันเดียวนี่ถ้าพูดไปตามขณะของจิตมันต้องเป็นอย่างนี้วิตกวิจารปิติสุขเอกคตาถ้าขั้นที่สองไปเป็นอย่างไรจิตมันละเอียดแล้ว วิตกวิจารมันหยาบมันก็ล้นไปีกมันก็ทิ้งวิตกวิจารเหลือแต่ปิติสุขเอ ก, กคตาอันนี้เรื่องจิตมันดาเนินการเองเราไม่ต้องรู้อะไรให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้บัดนี้ปิติไม่มีเหลือแต่สุขกับเอ ก, กคตาเราก็รู้จักปิติไปไหนไม่หนีไปที่ไหนหรอกจิตของเรามันละเอียดขึ้นไปก็ทิ้งส่วนที่มันหยาบเท่านั้นส่วนไหนมันหยาบมันก็ทิ้งไป ทิ้งไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดแล้วคือมันทิ้งไปทิ้งไปเหลือเอกคตา ก, า sia, กับอ ai, ุเบคามันก็ไม่มีอะไรมันจบอย่างนั้นเมื่อจิตดำเนินการประพฤติปฏิบัติ มันจะต้องไปในรูปนี้แต่ขอให้เรามีปัญญาสินหน่อยหนึ่งว่าที่เราทำครั้งแรกเนี่ยเราต้องการให้จิตสงบแต่จิตมันก็ไม่สงบเราอยากให้มันสงบก็ไม่สงบอันนี้คือเราทำด้วยความอยากแต่เราไม่รู้จักว่าทำด้วยความอยากคือเราอยากให้มันสงบมันไม่สงบอยู่แล้วเราก็ยิ่งอยากให้มันสงบอยากนี้มันเป็นเหตุมิใช่อื่น อยากให้สงบนี้เราไม่เข้าใจว่าเป็นปัญหาก็เหมือนเพิ่มน้ำหนักขึ้นอีกยิ่งอยากขึ้นก็ยิ่งไม่สงบขึ้นแล้วก็เลิกกันเท่านั้นทะเลาะ ก, กันไปเรื่อยๆไม่ได้หยุดหรอกนั่งทะเลาะ ก, กันคนเดียวนี่ก็เพราะอะไรเพราะเราไม่น้อมกลับมาว่าเราจะตั้งจิตอย่างไรให้รู้สภาวะของมันว่าอาการของจิตมันก็เป็นของมันอย่างนั้น ถ้ามันเกิดมาแล้วเวลาใดก็พิจารณาว่าเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเรื่องจิตนี้ลักษณะของจิตมันเป็นอย่างนี้มันไม่ไปทําให้ใครหรอกถ้าเราไม่เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นโทษแต่ความเป็นจริงมันไม่มีโทษหรอกเห็นว่าลักษณะอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นเท่านั้นแหละ เราจะตั้งวิตกวิจารวิตกวิจารมันก็พอรอนลงมาพอรอนลงมาเรื่อยๆมันก็ไม่รุนแรงที่มันมีอารมณ์มาเราก็วิจาร์ไปคลุกคลีไปกับอารมณ์มันจะรู้เรื่องเกี่ยวกับอารมณ์นั่นเองมิใช่อื่นอันนี้เราไปทะเลาะ ก, กันเสียก่อนแล้วก็เพราะตั้งใจเหลือเกินว่าเราอยากทำความสงบเมื่อนั่งปุ๊บอารมณ์มากวนเลยยกขึ้นมาเท่านี้ก็ไม่อยู่แล้ว ก็พิจารณาออกไปตามอารมณ์เลยก็นึกว่ามันมากวนเราความเป็นจริงมันเกิดจากที่นี่เกิดจากความเห็นที่มันอยากอยากนี่แหละถ้าหากเราเห็นว่าเรื่องจิตนี้มันเป็นของของมันอย่างนี้มันก็อาศัยการไปการมาอย่างนั้นถ้าเราไม่ไปเอาใจใส่ถ้าเรารู้เรื่องของมันเร็แล้วเหมือนกันกับเรารู้เรื่องของเด็กน้อยเด็กน้อยมันไม่รู้จักอะไรมันจะพูดกับเราพูดกับแคก มันจะพูดอย่างไรก็พูดไปตามเรื่องของมันถ้าเราไม่รู้เรื่องของเด็กเราก็โกรธก็เกลียดขึ้นมาอย่างนั้นถ้าเรารู้เรื่องของเด็กเราก็ปล่อยเด็กมันก็พูดของมันไปอย่างนั้นเมื่อเราปล่อยอย่างนี้ความไปยึดในเด็กนั้นก็ไม่มีเราจะปรึกษากันกับแขกเราก็พูดไปตามสบายเด็กมันก็คุยเล่นไปตามเรื่องของมันเรื่องของจิตมันก็เป็นของมันเอง ไม่มีพิษอะไรนอกจากเราไปหยิบมันขึ้นมาเลยไปยึดมันไปตะครุบมันเท่านั้นแหละมันก็เป็นเหตุขึ้นมาทีเดียวเมื่อปิติเกิดขึ้นมาเราจะมีความสุขใจบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ใครเข้าไปถึงตรงนั้นมันก็รู้จักความสุขเกิดขึ้นมาอาการอารมณ์เดียว มันก็เกิดขึ้นมาก็มีวิตตกวิจารปิติสุขเอกคตาสิ่งทั้งห้าอย่างนี้มันรวมอยู่ที่อันเดียวกันถึงมันเป็นคนละลักษณะก็ตาแต่ว่ามันรวมอยู่ที่อันเดียวกันเราเห็นทั่วถึงกันไปหมดเหมือนกับผลไม้เอามารวมในกระจาดเดียวกันมันเป็นคนละอย่างก็ช่างมัน เราจะเห็นทุกอย่างในกระจัดอันนั้นวิตกก็ดีวิจารก็ดีปิติก็ดีสุขก็ดีเอกคคตาก็ดีเราก็มองดูที่จิตตรงนั้นนะมันจะมีหมดห้าอย่างมีลักษณะอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นมีอยู่อย่างนั้น จะว่ามันวิตกอย่างไรวิจารอย่างไรพิติอย่างไรสุขอย่างไรบอกไม่ถูกเมื่อมันรวมลงเรามองเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเต็มในใจของเราอยู่ตรงนี้มันก็แปลกแล้วการทำภาวนาของเราก็แปลกแนละ้วต้องมีสติสัมปชัญญะอย่าลง ให้เข้าใจว่าอันนี้มันคืออะไรมันเป็นเรื่องขนาของจิตมันเป็นเรื่องวิสัยของจิตเท่านั้นอย่าไปสงสัยอะไรในเรื่องปฏิบัตินี้มันจะจมลงในพื้นดินก็ช่างมันจะไปบนอากาศก็ช่างมันจะนั่งตายเดี๋ยวนี้ก็ช่างมันเถอะอย่าไปสงสัยมัน เรื่องการปฏิบัินี้ให้มองดูลึกลักษณะจิตเรามันเป็นอย่างไรให้อยู่กับความรู้อันนี้เท่านั้นทำไปอันนี้มันได้ฐานแล้วมันมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั้งการยืนการเดินการนั่งการนอนเมื่อเราเห็นอะไรเกิดขึ้นมาก็ให้มันไปเราอย่าไปติดอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันเรื่องชอบใจไม่ชอบใจเรื่องสุขเรื่องท เรื่องสงสัยไม่สงสัยนั้นก็เรียกว่ามันวิจาร์มันพิจารณาตรวจตราดูผลงานของมันอย่าไปชี้อันนั้นเป็นอันนี้อย่าเลยให้รู้เรื่องเห็นสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับจิตนั้นก็สักแต่ว่าเป็นความรู้สึกเท่านั้นเองเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่ก็ดับไปก็เป็นไปเท่านี้ไม่มีตัวไม่มีตน ไม่มีเราไม่มีเขาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอันใดอันหนึ่งในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เมื่อเห็นรูปนามมันเป็นเช่นนี้ตามเรื่องของมันแล้วปัญญาเห็นเช่นนี้มันก็เห็นรอยเก่าของมันเห็นความไม่เที่ยงของจิตเห็นความไม่เที่ยงของร่างกาย เห็นความไม่เที่ยงของความสุขความทุกข์ความรักความโกรธมันไม่เที่ยงทั้งนั้นจิตมันก็วู้แล้วก็เบื่อเบื่อกายเบือจิตอันนี้เบือสิ่งที่มันเกิดมันดับที่มันไม่แน่อย่างนี้เท่านั้นแหละจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันก็เห็นเมื่อจิตมันเบื่อก็หาทางออกเท่านั้นมันหาทางออกจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่อยากเป็นอย่างนี้ไม่อยากอยู่อย่างนี้มันเห็นโทษในโลกนี้ เห็นโทษในชีวิตที่เกิดมาแล้วเมื่อจิตเป็นเช่นนี้เราไปนั่งอยู่ที่ไหนก็เห็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่มีที่จับต้องมันแล้วจะไปนั่งอยู่โคนต้นไม้ก็ได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าจะไปนั่งอยู่บนภูเขาก็ได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าจะไปนั่งที่ราบก็ได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าเห็นต้นไม้ทุกต้นมันจะเป็นต้นเดียวกันเห็นสัตว์ทุกชนิด มันเป็นสัตว์อย่างเดียวกันไม่มีอะไรแปลกไปกว่านี้มันเกิดแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วก็แปรไปดับไปเหมือนกันทั้งนั้นฉะนั้นเราก็มองเห็นโลกนี้ได้ชัดขึ้นเห็นรูปนามอันนี้ได้ชัดขึ้น มันชัดขึ้นต่ออนิจจังชัดขึ้นต่อทุกขงังชัดขึ้นต่ออนัตตาถ้ามนุษย์ทั้งหลายเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันเที่ยงมันจริงอย่างนั้นมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาทันทีมันเกิดอย่างนี้ถ้าเราเห็นรูปนามันเป็นของมันอย่างนั้นมันก็ไม่เกิดทุกข์เพราะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นนั่งอยู่ที่ไหนก็มีปัญญาเห็นแม้ต้นไม้ก็เกิดปัญญาพิจารณา เห็นหญ้าทั้งหลายก็มีปัญญาเห็นแมลงต่างๆก็มีปัญญารวมแล้วมันเข้าจุดเดียวกันเป็นธรรมะเป็นของไม่แน่นอนทั้งนั้นนี่คือความจริงนี่คือสัจธรรมมันเป็นของเที่ยงมันเที่ยงอยู่ตรงไหนมันเที่ยงอยู่ตรงที่ว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นไม่แปรเป็นอย่างอื่นเท่านั้นแะ ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นถ้าเราเห็นเช่นนี้แล้วมันก็จบทางที่จะต้องไปในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเรื่องความเห็นนี้ถ้าเห็นว่าเราโง่กว่าเขามันก็ไม่ถูกเห็นว่าเราเสมอเขามันก็ไม่ถูกเห็นว่าเราดีกว่าเขามันก็ไม่ถูก เพราะมันไม่มีเรานี่มันเสียอย่างเนี้มันเป็นซะอย่างนี้มันก็ถอนอสมิมาณะออกอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นโลกาวิถรุรู้แจ้งตามเป็นจริงถ้ามาเห็นจริงเช่นนั้นจิตมันก็รู้เนื้อรู้ตัวรู้ถึงที่สุดมันตัดเหตุแล้วไม่มีเหตุผลก็เกิดขึ้นมาไม่ได้อันนี้พูดถึงข้อปฏิบัติะมันจะดําเนินการของมันไปอย่างนั้น รากฐานที่เราจะต้องปฏิบัติใหม่ๆนี้หนึ่งให้เป็นคนซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา 2. ให้เป็นคนกลัวเป็นคนละอายต่อบาป 3. ม, มีลักษณะที่ถ่อมตัวในใจของเราเป็นคนที่มักน้อยเป็นคนที่สันโดษ ถ้าคนมักน้อยในการพูดการทําอะไรทุกอย่างมันก็เห็นตัวของตัวไม่เข้าไปวุ่นวายรากฐานที่มีอยู่ในจิตนั้นก็ล้วนแต่ศีลสมาธิปัญญาเต็มอยู่ในจิตไม่มีอะไรอื่นจิตในขณะนั้นก็เดินในศีลในสมาธิในปัญญาโดยอาการเช่นนั้น นักปฏิบัติเราอย่าประมาทถึงแม้ว่าถูกต้องแล้วก็อย่าประมาทผิดแล้วก็อย่าประมาทดีแล้วก็อย่าประมาทมีสุขแล้วก็อย่าประมาททุกอย่างท่านว่าอย่าประมาททำไมไม่ให้ประมาทเพราะอันนี้มันเป็นของไม่แน่ให้จับมันไว้อย่างนี้จิตใจของเราก็เหมือนกันถ้ามีความสงบแล้วก็วางความสงบไว้ แม้มันอยากจะดีใจแต่ดีก็ให้รู้เรื่องมันชั่วก็ให้รู้เรื่องมันฉะนั้นการอบรมจิตเป็นเรื่องของตนเองครูบาอาจารย์บอกแต่วิธีที่อบรมจิตก็เพราะจิตมันอยู่ที่เรามันรู้จักหมดทุกอย่างไม่มีใครจะรู้เท่าถึงตัวเราเรื่องปฏิบัติมันอาศัยความถูกต้องอย่างนี้ให้ทำจริงๆเถอะอย่าไปทาไม่จริง คำว่าทำจริงๆนั้นมันเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเพราะทำทางจิตประพฤติทางจิตปฏิบัติทางจิตถ้าเรามีสติอยู่มีสัมปชัญญะอยู่เรื่องที่ถูกที่ผิดมันก็ต้องรู้จักถ้ารู้จักเราก็รู้จักข้อปฏิบัติเท่านั้นไม่จําเป็นมากดูข้อปฏิบัติทั้งหลายทุกสิ่งทุกส่วนแล้วก็ให้น้อมเข้ามาอย่างนั้นทุกคน มันก็จวนข้อนพรรษาแล้วนะตามความจริงลักษณะของคนเรานั้นน่ะนานๆไปมันชอบอยากประมาทในข้อวัดที่ตั้งไว้ไม่เสมอต้นเสมอปลายแสดงว่าปฏิปทาของเราไม่สมบูรณ์อย่างที่เราตั้งใจไว้ก่อนพรรษาเราจะทำอะไรกันก็ต้องทำประโยชน์อันนั้นให้สมบูรณ์ระยะสามเดือนนี้ให้มันตลอดต้นตลอดปลาย ต้องพยายามให้เป็นทุกๆคนเราตั้งใจไว้ว่าเราจะปฏิบัติกันอย่างไรก่อนเข้าพรรษาข้อวัดเราต้องทํากันอย่างไรตั้งใจอย่างไรให้ระลึกถึงว่าถ้าหากมันย่อหย่อนก็ต้องกลับตัวปรับปรุงเรื่อยๆเหมือนกับเราภาวนาทําอาณาปานสติลมหายใจเข้าออกสม่ําเสมอ เมื่อมันเป็นไปตามอารมณ์ก็ยกขึ้นมาอีกตั้งใหม่อย่างนี้ก็เหมือนกันทางจิตของเราทางกายของเราก็เป็นอย่างนั้นต้องพยายาม